รักษาทรัพย์หึง่มหลวงทรัพย์หรือไปตจงนลกคนจากนั้นก็จะมาเป็นเศษเป็นขี้คอยรักษาสมบัติอยู่อย่างนี้มันมีวันที่จะได้รับความสุขความสบายฉันนะเดีะจะเกิดสวรรค์มีความสุขความสบายมากสมบัติในสวรรค์ของคุณพ่อนี่เพียงแค่นี้ไม่ได้เที่ยวหนึ่งของฉัน สมบัติในสวรรค์ของฉันมีมากกว่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างรูล้ละน่าดูดอดอยากอยากจนอะไรนี่แต่ของทิพย์ทั้งนั้นเพียงการดา ด, ดื่นไม่อดอเะเธอไปเกิดสวรรค์โดยอะไรก็เธอเป็นลูกของฉันเกิดมาไม่เคยทำอะไรจะได้ไปเกิดสวรรค์ยังไงกว่าฉันเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้า ว, วันฉันจะตายพระพุทธเจ้าในพระโสดฉันแค่เท่านั้นแหละฉันก็มีบุญมีกุศลมากมาหลายหลวงขนาดนี้มีคุณพ่อไม่เคยยินดีไม่เคยเลื่อมใสในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนี่แต่หึงหวงสมบัติอยู่อย่างนั้นในสาวจะหึงหวงไปได้แค่ไหนตายไปแล้วเขาก็เอาไป ถิ่งไปเผาไปฝังเท่านั้นผูดกันไปผูดกันมาคุณพ่อของมัทกุลทลีเขาก็จำได้นะวันนั้นก่อมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สเสด็จมาโปรดจริงจังก็จำได้ก็เลยเกิดลังเลสงสัยเกิดปัญหาในใจว่ามันจะเช็ดจิงอย่างไร คนคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกของเราแล้วเขาไม่เคยทำบุญทุนทานอะไรทำไมเขาเด็ไปเกิดสวรรค์เราจะไปสอบถามพระพุทธเจ้าดูว่ามันจะเท็จจริงแค่ไหนนี่เป็นเบื้องต้นสีแยชวนเทวบุตรคือมัททกุณธลีเข้าไป ไปหาพระพุทธเจ้ารุ่นไปคนเดียวไม่เคยไปกับมัทคุลตรีแต่คนเดียวไปถามพระพุทธเจ้าไปถามว่าคนผิวไม่เคยทําบุญทุนทานไม่เคยรักษาศีลไม่ได้เมตตาภาวนาอะไรตายไปจะได้ไปเกิดสวรรค์มีไหมพระเจ้าข่ามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตอบก็จีคุณมานี้ ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือซึ่งเคยมาฮะเราจะถาคดนี่ไม่มีก่็คุณก็เคยคุยเคยพูดกับคนอื่นอยู่แล้วที่เขาไม่ได้ทำบุญุนทานไม่เลยรักษาศีลไม่เลยเจริญภาวนาเขาตายไปเกิดสวรรค์ไม่ใช่หรือนี่เป็นคำพูดของพระไตจา์ตอบเจรษฐี เศรษฐีก็เกิดความเหลื่อมสาเกิดความยินดีเต็มใจท า, ทางทางี่พระพุทธเจ้าแม่ได้ไปเห็นเรากับลูกคุยกันเหตดใดท่านถึงทราบว่าเราคุยกันกับคนคนนั้นมาบอกเราว่าเขาไปเป็นเทวบุตรโดยอำนาจความเหลื่อมส ยินดีในพระเจ้าพระสงฆ์เท่านั้นเขาก็มีอา น, นิสงส์ในเกิดเป็นเทวบทมีเบื้องต้ น, นเขาก็เลยเกิดศรัทธาเชื่อในศาสนาจนมัชธกุลธลีลงม า, าแสดงท่านแก่มัทธกุลธลีมั้งทั้งสองขอแม่ทั้งมัชธกุลธลีมั้งใครจำในขิดประเด็เป็นพระโสดาบันมีความเชื่อ ความเหลื่อมใสความยินดีความเต็มใจในผู้บริสุทธิ์ถึงเราไม่ได้ทำบุญสุนทานด้านอื่นแต่เราเชื่อเราเหลื่อมใสเรายินดีเต็มใจในท่านผู้บริสุทธิ์ก็มีอา น, นิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลมีการทำเจดีของพระพุใจเจ้าทำเจดีของพระปเจก พทธเจ้าทำเจดีของพระอรหันต์ท่านจริงว่าเป็นทางสุขติแจกบุคคลที่ยินดีเลื่อมใสไปกราบไปไหว้เกิดกธายินดีจจใจไปกราบไปไหว้มีทางสิจะ ไ, ไปสู่สุขติแต่เรื่องเหล่านี้มันเอาเนี่ยนอนไม่ได้ก่อนเราจะตาย มันจะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งฉันเชื่อว่าการสร้างกรรมเอาไว้เหมือนกันกับวัวอยู่ในคอกอักแอแน่นกันอยู่ตัวไหนที่มันอยู่ปากคอกถึงอายุแก่ไม่มีกําลังกอตามเมื่อเปิดประตูตัวนั้นแหละจะได้ออกก่อนเพราะตัวอยู่ข้างในไม่มีโอกาสที่จะออกได้ ตัวนั้นมันปิดประตูอยู่นี่คนชวนจะตายก็ททานองเดียวกัน <c oughs> ถ้าระเลือกนึกถึงสิ่งใดในตอนก่อนจะตายนั้นคนนั้นจะได้เกิดดีเกิดชั่วกว็เพราะอารมณ์ <c oughs> ของใจในขณะที่ชวนตายเหมือนวูวจะอยู่ปากข้อ ออกได้ก่อนจะไปเกิดที่นั้นก่อนสูดถึงตายถ้าคิดถึงความดีที่เราสะสมเอาไว้เช็นมาวัดมา ว, าว่าไหวพระทำบุญสุนทานหรือทำสิ่งใดที่เป็นส่วนกุศลจิตใจองตนก่อนจะตายแล้วลึกได้เียงแค่นั้นมันก็มีทางที่จะไปสวรรค์ไปสู่สุคติได้ ถ้าเป็นในทางดีถ้าเป็นในทางชั่วมันก็ไปสู่ทุกข์กติได้คนเกิดมาจะอยู่เฉยเหมือนถอนไม้่อนฟืนเป็นไปไม่ได้คนเกิดมาจะต้องสร้างความดีหรือทำความชั่วเป็นธรรมดาเหตุนั้นความชั่วและความดีนี้จึงมีอานิสงส์เข้าเตรียมกันถ้าไปคิดทางชั่ว เดไปทางชั่วถ้าไปคิดทางดียันก็ไปทางดีในขณะเวลาที่จะตายไปแต่กรรมมันมาปกปิดเอาไว้บุญกุศลเคยสะสมมาระยะมากยาวนานอย่างถ่งกล่าวไว้ในหนังสือผีระบวชมาเป็นหมื่นหมื่นปีที่คนมีอายุยืน ในแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเราสมัยเลยจากนั้นไปพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็บอกอยู่ต่ จ, จำไม่ได้รักษาพระวินัยเสี่งทัดปฏิบัติ ด, ดีชอบมาตลอดแต่วันนั้นท่านขำแห่น้ำไหลน้ำขำมาชวนเขาถึงฝั่งจะปีนขึ้นฝั่งไปจับกิ่งไม้จะไข้น้ำบาบงนั้น เลยริงไม้ที่จับใบพองมันหรือกิ่งพวกมันเลยหักเล้ขาดตรงท่านท่านที่รักษาศีลมาระยะยาวนานไม้เคยทำศีลให้ขาดให้เสียวันนั้นถามน้ำเลยไปจับใบไม้ริงไม้มันขาดท่านก็เลยเกิดอาพาธป่วยไข้ขึ้น ยังไม่ได้แสดงอาบัตอะไรแกองค์อื่นปกติพระในภาคของเขียวได้ทาอย่างนั้นทางพระวินัยมันก็นิดหน่อยเท่านั้นคือเป็นอาบัตปาจิตตีมีท่ามือเจตนาจะจิตใจมันไปคล้องไปคิดไปจิตอยู่ในอารมณ์อันนั้นถันมรณาภาพคือถ่านตายไปเมยไปเกิดเป็นพญยายนามีเรื่องหนึ่ง เรื่องคนทำดีมาเป็นหมื่นหมื่นปีแต่มาทำเสียเพียงแค่นี้ก็ได้เกิดในทุกขติธรรมดาเป็นสัตว์ทันเรี่ยว่ัตุขตินรกเปรตอสุรกายแสนปิเลฉานนี่ท่านทันเรี่ยววัตุขติคือภูมิที่หาความสุขไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติอัดท พวกนี้มี่เป็นอุทหรณข้อหนึ่งอุทหรณข้อสองว่าพระรักษาศีลมาเป็นระยะเวลายาวนานอีกเหมือนกันแต่วันนั้นมีโยมนำผ้าจีวรสวยงามมาให้แต่ท่านบวชมาจนกระทั่งวันนั้นยังไม่เคยมีจีวรสวยงามอย่างนั้น ท่านชอบใจท่านยินดีท่านเต็มใจจริงๆในจีวรตัวนั้นแต่ก็เกิดโรคปัจจุบันตายพอตายไปแทนที่จะอำนาจของศีลของธรรมสิเคยอบรมบาเพ็ญมาจะอำนวยอวยชัยให้ท่านไปสวรรค์ไปความมโลกไปไม่ได้เพราะความห่วงความติดความคิดความข้องในจีวรเลยเกิดเป็นเลนฝ่าวจีวร อ, อยู่นั้น นี่ก็เกิดเป็นสัตว์ิเศฉนธรรมดาพระตายฆ่าไม่ได้มอบให้องค์นั้นองค์ น, นีนนนนาา้อันนี้จะให้คนนั้นถ้าเราตายไปอันนี้จะให้คนนั้นถ้าเราตายไปถ้าเรามอบทำนี้ในกรรมไปก่อนตายไปของของพระจะเป็นของสงฆ์สงฆ์มีหน้านะที่จัดการแบ่งกันแจกกัน ถ้าหาท่านมอกไว้ก่อนท่านบอกไว้ก่อนอันนี้ให้คนนั้นนะอันนั้นให้คนนั้นนะคนที่ท่านบอกเอาไว้จะได้รับของนั้นถ้าหากท่านไม่บอกท่านชายไปเงียบเงียบเลยสั่งเสียอะไระของของท่านทุกสิ่นทุกอันจะเป็นทะูุพันเป็นของที่แจกกันได้เป็นระหุพันจะต้องเป็นของของแจกกันได้ กีวรบาทมีดโกนผ่าปูนังย่มอะไรอย่างนี้แจกกันไปได้ <c oughs> นี่พอท่านตายไปจะเอาของมาแจกเดีนตัวนั้นร้องให้เสียจใจว่ากีวรของเราที่ได้มานี้พระองค์อื่นจะเอาไปเป็นกรมรมสิทธิ์พระพุทธเจ้าทราบจิงตัดห้ามไม่ให้พระเอาของนั่นแจกกัน เลยเจดวันไปเแีย ก, ก่อนถึงคอยแจกกันหมอนนั้นคืออายุของเล่นนั้นเพียงเจดวันจะต้องตายพอตายจากเล่นก็เดีไปสวรรค์นนะั่นแหะอำนาจของศีลของธรรมจิตผ่านเคยรักษาหนีไม้ถึงว่าจิต ค, คิดถึงอะไรเกาะอะไรโดยส่วนใหญ่จะได้ไปเกิดฝ่ายต่ำ ใส่ชั่วใส่เสียช า, าเป็นด้านวัตถุเป็นของที่ไมใส่จริงอื่นที่เป็นอาจเป็นธรรมตาหาไปเกี่ยวกับอาจกับธรรมแหละ <c oughs> ได้ไปสู่ทางดีทางสุขตินี่เราทุกคนเกิดมาก็เคยทำบุญสุนทาน <c oughs> เคยกาบเคยว่าเ้าา <c oughs> เคยทำคุณงามความดีผ่านจิงให้ภาวนารละลึกดู สม่ำเสมอคุณความดีที่สั่งเอาไว้ทำเอาไว้ไห่ทานก็ดีก่าบ่่ว้ก็ดีรักษาศีลก็ดีคิดไว้ <c oughs> และลึกไว้ในจิตในใจข่องสอนให้เป็นอนุสติแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติทั้งคาณุสติจาราณุสติการให่ทานกีรานุสติอนุสติการรักษาศีล เราละ ล, ลึกอยู่สม่ำเสมอถ้าละลึกได้ก่อนเราจะตายจะต้องมีความหมายจะต้องมีความหวังในทางสุขจิตแน่นอนถ้าเราละลึกไม่ได้บาปกรรมชั่วชา้าสามานต์ต่างๆที่เราเคยทาํามาเป็นเกาะไปจิตไปคิดไปฟุงอันนั้นมันเกาะบาปนั่นแหละให้พ้นก่อนแต่นั้นท่านจึงให้ภาวนา และเลือกถึงคุณความดีอยู่เรื่อยไปมีหมายถึงจิตในขั้นจ ะ, จะก่อพก่อชาแต่จิตของพระอรหรันตอรหันี่จันสิทธิเลสไม่เป็นอย่างนั้นจะตายเมื่ออะไรแผ่นกบปรินิพานเมื่อนั้นไม่มีทางสงสัยที่จะไปไปเกิดเป็นเศษเป็นผีไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้เพราะความบริสุทธิ์ของใจแน่นอนไม่มี การไปการมาการอยู่อีกคือความบริสุทธิ์ของใจนี่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเกี่ต้องพากันแต่ทำบําบเพ็ญอบรมจิตอบรมใจใเราลึกถึงคุล ง, งานความดีแสวงบุญเอาไว้เร า, เราลึกไปในทางดีจิตใจของเราก็ยินมแจ่มแจ่มใสจิตใจของเราก็เบิกบานเราลึกถึงความชั่วความเสียจิตของเราก็เดือดร้อน ุวายตายไปก็ไปสู่ทุกขติเป็นทุกข์เป็นโทษดังนั้นท่านจึงสอนภาวนาเรื่อะหาคุณงามความดีเพราะเราเกิดมาเปรตสะสมคุณงามความดีพอสมควรตามกำลังหน้าจีของเราถึงหม่สมบูลณก็ได้ทำกันทุกคนนิดนหน่อยน่อยก็เป็นผลดีถ้าระ ล, ลึกได้ ไปแล้วลึกๆคิดเอาแค่เลยและแต่อะไรมันจะเกิดขึ้นให้เวลาจะตายไปกว่าเหมือนคนไฟใหม่บ้านไม่สาบว่าเอาเงินเอาทองเอาทองเอาของไปที่ไหนพอไฟ <c oughs> ไฟใหม่มากกว่าแม่สาวก็จะไปค้นหาที่ไหนไฟหมดใหม่เสร็จไปหมดถ้าหากเขาเอาไว้อ่ะทีนั้นทีนี้พอไฟใหม่มากกวรีบชวยเอา ของที่มีค่าโดดไฟเสียอย่างไรไฟไม่ไหม้ไฟมันก็ไหม้แต่จริงๆเชื่อทีจะไหม้ดินมันเหลืออยู่เงินทองของเราที่มีค่ายัางมีอยู่เราปลูก บ, บ้านใหม่อีกก็ได้จะสวยางามขนาดไหนถ้าเรามีคุณมีรอนมีเงินมีทองมีการ ก, รกรา่อพวกก่อฉากของพวกเราก็ทํานองเดียวกันแตนจึงให้สแสวงหาบุญบุญก็คือ บุญความดีคนทุกคนต้องการปรารถนาเพราะบุญหากมีในบุคคลใดคนนั้นจะมีความสุขกายสุขใจจะได้สิ่งที่ตัวปรารถนานี่คือบุญสุขีแสวงหาบุญสุทีทำบุญอยากได้บุญรู้จักบุญจิงจะเอาบุญได้ จึงจะหาบุญถูกใช่ไทราบเบื่องของบุญว่าบุญเป็นอย่างไรการร้องรำทำเพลงกันเออกระเลิบเฮากันถาการแจงกันอีกระทึกครึกโคมเนี่ยหรือเป็นบุญดูหนังฟังเพลงต่างๆนี่ยหรือเป็นบุญก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นบุญไม่ทราบว่าอะไรเป็นบุญกันเน่ คนที่ไม่รู้จักบุญอย่างนั้นไปหาตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตมันก็ไม่เจอบุญให้เหมือนกันกับคนไม่รู้จักส่วนไม้ถี่เป็นยาถึงจะจับอยู่กอดอยู่เหยียบอยู่อยู่ใต้ร่มของมันก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยาอะไรก็เลยนำมาเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้เดีย๋ยวคนไม่รู้จักบุญก็ทำนองเดียวกันจึงหาบุญไม่ได้เห็นกา ร, ออกรเอกะลิบเฮฮากาัน ดูหนังฟังเพลงกันเล่นการเพลินเป็นบุญเป็นกุศลไม่ดทราบว่าบุญจริงจังมันคืออะไรก็เลยหาบุญใหม่เป็นหาบุญใหม่เห็นก็เลยไม่มีบุญเมื่อไม่มีบุญมันก็ทุกข์ก็โศกเราร้อนในปัจจุบันก็ร้อนในชาติาหน้าก็ไม่มีความสุขความสบายให้แต่นั้น เดี๋เรายังมีชีวิตเป็นอยู่รีบหาเอาซะดิบทําเอาเสอย่างบุ่นอย่างวุศนวุ่นไปส่งไปให้คนอื่นเขาทาให้ไปตายไปเมตตาไปจะไปเกิดที่ไหนใครที่จะไปส่งเมตตาไปจะไปส่งที่ไหนอีกเหมือนกันแต่เราทําเอาไว้ในตัวของเรามันไม่ผิดหวังเหมือนกันกับเรานําอาหารไปในทางกันดารถึงไม่มีบ้าน จะซื้อจะขอแต่ของของเราสามารถที่จะเลี้ยงสัตพพว์ป่าของเราในค่มจากป่าดงสิบกันดานไปได้เพราะอาหารที่เราเตรียมไปมันเพียงคอสินคนขี่แสวงบุญเอาไวใ้ในกายในใจของตัวก่อทำนองนั้นใน้องไปให้พี่น้องพ่อแม่ลูกหลานคนอื่นเพราะทำไปหา เรายังมีชีวิตจิตใจมีหูมีตามีแหวนฮาเอาสิ่งใดที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเกศตนนทุกคนได้ฟังธรรมะที่พี่บายมาจงนำไปพินิ่แิแนาศาึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อจานั้นก็จะมีความสุขความเจริญเอาละฟันผลิตโชค ก, ก็ได้หุมห่มหำหำกันเมื่อซผลต้องมาเมื่ออย่าง ซึ่งทางซึ่งทางเอาฝนมาด้วยฤอริ์จะทักที่ทำต่างหอเขตอำเภอนายแก้ววันนั้นอยากจะไปเที่ยวดูวัดสันกันสนจะไปอยู่ภูสวนจากนั่นถึงไปก่อนในลาสักร้อยกว่าเซน เป็นบกเขายังเขาว่าอยู่น่ะใส่แล้วก็อยากจะไปท่านจำพรรษาอยู่นั้นนานแล้วดูมันเคยอยู่มาแต่ก่อนท่านเจ้ามันจะเหมือนะครับอยู่นั้นอยู่องค์เดียววันนั้นเผิญท่านลงมาบกที่อยู่นั้นก็ลงมาไปเจอท่านจีกลางทางมั้งท่านก็บอกว่าจะไปแล้วก็ เขากะติให้เขาท้งน้นท้งนี้คือมันมีที่เขา้าถ้าหาการยไม่บอกก็หาที่เข้าไม่ได้ทำมันดีสูงไปพอไปถึงก็เปลี่ยนจีวอนออกเอาผ้าอับหอจีวอนหออย่างแล้วกว็ลัดเอวขึ้นขึ้นบันได มันใดมันสี่สิบสี่ิเ็ดขั้นแต่มันชันสูงขึ้นยากขึ้นไปกับไป้ักเล่นอยู่นั้นพอต้องคนรขาลง <c oughs> ขาลงมันเหมือ น, นขาขึ้นน่ะมันกลัวยามกับไอ้พ <c oughs> าจีวอน้าอ่างโยนลงมาก่อ <c> น <oughs> ลงมาเจ็ดตัว <c oughs> เห็นกันสมชิดเลยมัณะภาพอยู่ที่อำเภอเงะทะ ลำปางฉันลงไปก่อนลงไปพอไปถึงบันไดขันไดก็อกอดพรากลัวตกลงไปจนครึ่งจารนถึงก็ลงตามหลังไปตัวเลยเลยฉันลงไปนะไปถึงพื้นก่อนขันเราไม่เคยคุยชายอยู่แค่นะไม่เคยคุยหญิงแล้วพวกคุยหญิงกชี อ, อยู่นะ้ก็าหาดน้ําขึ้นสบายแต่เราคุยชายขึ <c> ้น <oughs> แต่หลายนาทีกว่าจะไปถึงลงเมือนกันอกเออจากเขาไปเห็นเขาัวล้อใหญ่อ่ะมันไม่เคยขึ้นลำบากสูงทำดีสู ง, สงแต่เป็นทำต่ำคือ ท, ทำที่มันอยู่สูงแต่ทำมันเอมันอับอับมันไม่สูงมันไม่เปิดเท่าไหร่ พื้นของทรรกับตัวทรรมันในเราสักบางแห่งก็สามสีเน็ดบางแห่งก็สองเน็ดเศษเศษเพราะเลยที้ศัตรู น, นิดหน่อยแต่มันอยู่สูงแต่มันทรร ม, มันต่ำ <c ười> ตมันอยู่จิตกับยอดเขาแเส้นยากลงยากเออ เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้อยู่เท่าไรกันลงมาหลายปีแล้วกระบวนการจะอยู่นั้นอาจจะได้สั่งเอาไว้คงทางทางรัฐบาลสัางก็คงจะหมดหลายล้านเหมือนกันเ้ราะางสั่งดีเห็ที่พักที่อาศัยไม่กกว่าร่วมจะไหมติดเชียนทั้งนั้นมาทํา มาทำที่นั the the ่นนั่นก็พวกปีผมนั้นปลูกไอ้พวกกล้วยมะพร้าวมะนาวส้มหลายอย่างเป็นสวนใหญ่โตอยู่นะเดินบินะบายไม่ได้ระยะทางมันห่างไกลด้วมันจากนั่นมาถึงหมู่บ้านมันสองร้อยกว่าเซนขึ้นเขาลงเขาแล้วไปอาศัยพวกทีอยู่นั้นเน่ยมันก็อยู่องค์เดียว กตกหหาหาจะถวยท่านดูมั่นท่านจะอยู่แบบสะดวกสบายบินเท่าไหรนต้งไปบินสท่าไแล้วก็น้ําก็พวกนั้นเขาหาเพื่อนไปให้อ่งใส่อาหรให้ท่านสงคงจะบางวันก็คงจะไม่ได้ลงจากทําเราไปเห็นเขาจะไปนั่นแหละก็ อย่างว่าลงได้ทีขึ้นได้ทีหนึ่งวันหนึ้งเหนื่อยขึ้นยากมันสูงสูงมากแต่ันสูงแบบผู้ตอผู้ต่อมนสะพานขึ้นอันนั้นนบันไดบันไดกว้างให้เราสักเมตรเศจแต่มันก็หน่ากลัวแต่หากมันในสูงมันก็ <c oughs> จะสดสบายขนาดนั้นถึ้นมึนสูงไปไ้เสียวฝึกภาษาอะไรพวกอุดรพวกโมบันขามพวกนี้เข้าไปชาวป่าชามรับไปแต่ว่าถการจวนไปมุ่งต้นคือมีคนมามนมให้ไปมาหลายตั้งหลายหนแต่ถึงวัน มาจริงจังเขาก็ไม่มารับก็ได้มันเลยไปสักทีตอนนั้นมันยังวิเรกอยู่คนยังไม่ค่อยสนใจไปเที่ยวเหมือนเหมือนสมัยนี้ไปกันหลายสันรถาอุดรทางหมู่บ้านต่างๆไปเนนมันก็นั่งเที่ยวคงจะนัดแน่เอาไว้ จิตแบบนั้นนะแต่เัินเปื้อนโกงแขงแขนนางแขนงแนห่งนเนงินน้ำเกลียวพอไปถึงเหวที่ลึกๆมันก็ยืนดันเราอยู่นั้นแหละใจเรากลัวเฮ้ยใครมาวางแขนแบบนี้เดี <c> ๋ <oughs> อไปรอกมาไปเลยตอนนี้มันก็กลับลงมาพักข้งล่า ง, <c oughs> งคนไปมาตอนเช้าปุ มันต่อไปหมู่บ้านขาเหนื่อไปเสี่ยวผม ก, กุยงผู้ชายหลายคนพวกทียังไม่ได้ขึ้นเที่ยวไปกับคุยกันไปเพลินด้วยไปไม่ได้ดูหน้าดูหลังอะไรพอเดินไปไกลพอสงควรถึงขึ้นไมองดูเหงวสะพานพอ <c oughs> มองดูมันเสียวขาอ่อนร้องไห้ จะกลับก็กลับไม่ได้จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ไหวต้องอาศัยคนอื่นจะยุ่งไปขายหน้าลงตยัย